ม้าอัสดรม้าอาชาไายม้าศินทบหรือช้างใหญ่คือกุญชอนที่เขาฝึกดีแล้วสัตว์เหล่านั้นจึงเป็นสัตว์ประเสริฐบุคคลผู้ฝึกตนเนี่ยนะฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญาเสร็จแล้วประเสริฐยิ่งกว่าม้าอัสดรที่สารถีเป็นต้นเหล่านั้นฝึกแล้วเนี่ยนะประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์เนี่ยนะ บุคคลที่ประเสริฐที่สุดคือคนที่มีค่าที่สุดเนี่ยนะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้รับการฝึกอะไรเลยโง่เขาเป็นชาวป่าชาวโดยที่เรียกว่าสุดโยกของความโง่สักด์แต่ว่ามีร่างกายที่เป็นคนไร้ราคาที่สุดเนี่ยนะไม่มีราคาที่สุดส่วนบุคคลที่ผ่านการฝึกมาแล้วเนี่ยจึงเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็มีค่าที่สุดพระพุทธเจ้าฝึกพระองค์ด้วยศีลสมาธิปัญญาพระองค์ฝึกพระองค์ด้วยทาน ฝึกพระองค์ด้วยศีลฝึกพระองค์ด้วยเนคขัมมะฝึกพระองค์ด้วยปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาฝึกพระองค์ด้วยอุบบารมีอุปปารมีปารามทถปารมีฝึกคุณธรรมทั้งปวงที่ควรฝึกพระองค์จึงเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นผู้ที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเคารพยกย่องเพราะพระองค์ผู้เป็นผู้ที่ฝึกเรียบร้อยแล้ว ใครๆเพ่งไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปคือนิพพานด้วยยามที่ฝึกเหล่านั้ น, นนะนไม่มีใครนั่งช้างเข้านิพพา น, นนะรับรู้นิพพานแทงตลอดพระนิพพานนั่งช้างนั่งมา้านั่งอย่างอื่นเป็นต้นแต่บุคคลที่ฝึกตนด้วยศีลด้วยสมาธิวิปัสสนาฝึกด้วยสมถะและวัดวิปัสสนา ฝึกด้วยอริยมรรคทั้งหลายโสดาปติมรรคฝึกด้วยสติปทานสัมมาปธานอิทิบาทอินทรีภะละโพชงและองค์มรรคจึงสามารถไปสู่อมตะทิฏทิคือพระนิพพานอนั้นได้เพราะฉันู้ที่ไม่ได้ฝึกกายฝึกศีลฝึกจิตฝึกปัญญาฝึกด้วยวิ ช, ชาและจรณะไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้ช้างม้าจะฝึกดีขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะอาศัยญาณเหล่านั้นไปสู่มรรคผลนิพพานได้ พระขีนาศพคือพาธหันทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่ไม่วันไหวในอารมณ์ทั้งหลายหรือไม่วันไหวด้วยอนุภาพของมานะเนี่ยนะด้วยอำนาจความลำพองพยองด้วยอำนาจความอวดดีถือตัวอวดเก่งเป็นต้นไม่เป็นผู้ที่หลุดพ้นแล้วจากกรรมกายกรรมที่นำไปสู่พบใหม่ไม่มีต่อไปว่าจีกรรมมโนกรรมเราใดที่จะนำไปสู่พบใหม่อีกต่อไปก็ไม่มี ความเศร้าหมองเหล่าใดที่มีด้วยอํานาจราคะโทสะโมหะเป็นต้นแต่ละอย่างก็ไม่มีพันกิเลสเหล่าใดที่เป็นเหตุให้เกิดบ่อยๆท่านละขจัดกิเลสเหล่านั้นแล้วเนี่ยนะกิเลสเหล่าใดที่ทําให้เกิดในคันบ่อยๆกิเลสเหล่าใดที่ทําให้เกิดในใครบ่อยๆกิเลสเหล่าใดที่ทําให้เกิดในนรกบ่อยๆเปรดบ่อยๆเดรัจฉานบ่อยๆนรกบ่อยๆเด้อ มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเกิดในคันเกิดในไใข่เกิดในเท่าใครหรือเกิดในโอปปาติกะกรมมพบรูปประพบอรูปประพบกิเลสที่ทําให้เกิดบ่อยๆคือตัณหาอุปาทานกรรมที่จําแนกให้ไปเกิดในภพต่างๆเหล่านั้นพระองค์ขจัดสิ้นแล้วเพราะพระองค์ถึงภูมิเป็นที่ฝึกสําเร็จแล้วจึงเป็นผู้ที่ฝึกสําเร็จแล้วเป็นพระขีณาสพเป็นผู้ชนะอารมณ์ทั้งปวงในโลกเนี่ยนะ ในโลกอินทรีย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นไม่มีทวารตาที่จะเกาะเกี่ยวพาไปสู่พบใหม่ไม่มีทวารหูเหล่าใดที่จะไม่มีตาเหล่าใดของพระองค์ที่จะทําไปสู่พบใหม่อาศัยตานําไปสู่พบใหม่อาศัยหูนําไปสู่พบใหม่จมูกลิ้นหรือกายเหล่าใดที่นําไปสู่การปฏิสนธิในพบใหม่เพันธุ์เปรนพรลาดหัน์คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้เจริญแล้วเนี่ยนะ เรียกว่ารอดรู้ทั้งอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอายตนะทั้งภายในทั้งภายนอกท่านทําให้หมดพยศแนวเนี่ยนะไม่มีอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่าใดที่จะก่อให้เกิดตันหามานะทิฏฐิสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลรพตาปรามาราคะ โทสะโมหะมานะทิฏฐิเหล่าใดที่จะทําให้มาจากเนี่ยตาเหล่านี้นะตาแบบนี้หูแบบนี้จมูกแบบนี้ลิ้นแบบนี้กายแบบนี้ใจตัวนี้เหล่านี้จะก่อให้เกิดสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีรพตาปรามาราฆโทสะโมหะมานะทิฏฐิหรือสีแบบนี้ก่อให้เกิดสกายะทิฏฐิเป็นต้นสีเสียงกลิ่นรสโพธพะพรธรรมรมทั้งหลาย ไม่มีสีเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมอารมณ์เหล่าใดที่จะก่อให้เกิดสากายาทิฐิวิจิกิจฉาศีละพัตะปรามานไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะเหล่าใดที่จะก่อให้เกิดราคะโทสะและโมหะจึงไม่มีอารมณ์เหล่าใดแม้แต่อารมณ์เดียวที่จะก่อให้เกิดมานะและทิฐิเพราะเป็นผู้ที่เจริญคุณธรรมที่เจริญแล้วเป็นผู้ฝึกในคุณธรรมที่ชำนิชำนาญและไม่มีความเสื่อมด้วย ท่านเหล่านี้รอแต่วันสิ้นลมกันรอวันฟันตายพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะบุคคลทั้งหลายจะดีใจแม้คุณจะได้เกิดในสวรรค์คุณจะได้เกิดในพรหมโลกจะได้ดิบได้ดีจะได้เห็นอย่างนี้ได้ฟังอย่างนี้ได้กลิ่นแบบนี้ได้ริมรสแบบนี้จะได้กินได้อยู่ได้ทานได้ทั้งหลายทั้งเหล่านี้สัตว์ทั้งหลายปกติจะดีใจแต่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านเฉยด้วยอํานาจของสมถะและวิปัสสนา แต่ท่านดีใจว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเนี่ยนะดีใจที่ตัวเองจะตายเพลดิดเพลินคือคือท่านแบบคนที่ปวดหัวเนี่ยนะปวดหัวแบบชนิดร้ายแรงที่สุดเลยเนี่ยนะคือมีแล้วมีความรู้สึกว่ามันร้ายแรงที่สุดแล้วอีกว่าสามนาทีจะหายปวดเนี่ยจะเสียใจไหมไหมเสียใจไหมเขาบอกว่าเอางี้แล้วกันเป็นรูปธรรมน่อยเคยเดินทางไกลแล้วปวด ปวดอยากเข้าห้องน้ําเต็มที่ได้ข่าวว่ามีห้องน้ําอยู่ข้างหน้าเนี่ยเนะนี่ยที่จะปล่อยทุกทั้งหลายเหล่านั้นนะดีใจหรือเสียใจอ๋อโอ้ยดีใจอย่างงี้ก็เลยเรียกว่าสุ ข, ขาไงห้องน้ําก็เลยชื่อว่าสุ ข, ขาเนี่ยนะเพราะอะไรบอกมู๊เป็นที่ตั้งแห่งความสุขได้ยินชื่อก็มีความสุขแล้วเนี่ยนะมันทุกข์เหลือเกินเนี่ยนะได้ยินชื่อก็มีความสุขมันทุกข์เหลือเกินทุกข์ว่าอะไรอุจารปัสสวะเป็นต้นเนี่ยมันทุกข์จริงๆเลยนะมันก็ลองไม่เชื่อกําลังกลั้นดูสักสามปียนะจะจรู้เลลห มันตายตั้งแตเดือนแรกแล้วเนี่ยถึงตอนนั้นแล้วมัน อ, อ, อารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะพระอรหันต์เนี่ยจึงเป็นผู้ที่เรียกว่าเบื่อนายเกลียดรังเกียดเห็นพิษภัยทุกโทษของของราคะเขาเรียกว่าของทุกข์ของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณเนี่ยนะ เ, เป็นผู้ที่เรียกว่าเห็นโทษที่สุดเนี่ยนะ เรียว่าโทษเหล่าใดที่มีจากรูปเสียงเลี่นรสโพธิภพทั้งหลายพระองค์เห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาทั้งปวงในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นอย่างอย่างครบถ้วนและบริบูรณ์เนี่ยน ะ, ะที่เป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะอะไรนะี่ก็เพราะว่าปุพพะจริยาคุณที่พระองค์เนี่ยสั่งสมมาดีเนี่ยนะสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีทั้งปวงนี่มาอย่าง ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วพระองค์จึงจึงเป็นอย่างนั้นได้แต่ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีบุญเนี่ยนะมันก็ทาอย่างนั้นทาไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่พระองค์ก็เป็นผู้ที่มีปุเพกะตะปุญญาตามงคลข้อ น, นี้ของพระองค์นี่ครบถ้วนและบริบูรณ์อดีตอ่านะทั้งปุเพกะตะปุญญาตาและอัตตะสัมมาปณิที่เนี่ยตั้งไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ไผ่บูรณ์แล้วเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอะไรนะ อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่วางแผนมาสี่อสงไขยแสนกลับวางเงินแอะไม่ใช่แบบแหมเป็นคนก็เรียกว่าอะไรนะมาถึงก็มาเลยไม่ใช่แต่ทั่วๆไปจะรู้จักกันในนามว่าวางแผนเป็นอย่างดีมาจากดุสิตเนี่ยนะถ้าพูดแบบใกล้ๆหน่อยนะพูดอดีตชาติเนี่ยตั้งแต่พระเวสสันดร น, นี่ท่านก็คิดอะไรไว้เยอะเยอะแยะมากมายแหละไปอยู่ในดุสิตเนี่ยท่านคิดเลยว่าจากนี้ไปท่านจะไปเป็นพระพุทธเจ้าเั้นตอนที่อยู่ดุสิตเนี่ยท่านก็ไขครวญอย่าง อย่างดีเนี่ยนะซึ่งภาษารีบทชื่นชมว่ามาจากทธิ์มาเป็นคณาจารย์รู้แล้วว่าจะต้องมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสมดับเจตนารม์สมกับความปรารถนาที่พระองค์ได้วางเอาไว้เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเนื่องจากว่าเหตุในอดีต ท, ทามาเป็นอย่างดีและปัจจุบันก็เป็นผู้ที่มีความเพียรชนิดที่เรียกว่าคนอื่นหา ผ, ผู้เปรียบไม่ได้ ไม่ใช่ว่าเป็นผู้มีบุญอาไว้แล้ขี้เกียจ ต, ต่อไปเธอเดียวอะไรนะบอกอ้าก็เมื่อตัวเองทําบุญมาจะมาเป็นเศรษฐีอยู่แล้วต้องทํามาหากินทําไมแบบนักก้นนะเนะขาบางคนเนี่ยได้ข่าวว่าเออเนี่ยหมอดูพยากรณ์ว่าคุณจะเป็นเศรษฐีเนี่ยนะก็เลยไม่ทําอะไรเลยเอ้ากร็รอนั่งรอนอนรอจะได้เป็นเศรษฐีสิแต่เศรษฐีแห่งความยากจนก็เลยจนด้วยกันว่าจนด้วยความจนก็ร่ํารวยด้วยความจนสารพัดชนิดอันนะี้ใช่ เพราผู้ที่ยิ่งสั่งสมบุญมาดีเท่าใดบุคคลเหล่านี้จึงจะไม่ประมาทเท่านั้นเนี่ยนะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเมื่อเป็นผู้ที่ไม่ประมาทจึงเป็นผู้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาศรัทธาที่ยังไม่เกิดก็ทำให้เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งทำให้ภัยบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะยิ่งภัยบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นพบบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีแต่มาเสริมคุณธรรมที่เคยมีอยู่แล้วให งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปมาเสริมวิริยะพระองค์จึงเพียรในอิริยาบททั้ง4เนี่ยนะเป็นทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนก็อยู่ด้วยความภาคเพียรและก็สติสัมปชัญญะไม่จะไม่ได้ข่าวไม่เหมือนหนังแขกที่ทําออกมาเจ้าชายศิริษฐเดินมเมาแปรไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่แน่นอนนะแขกมั่วนิ่มเลยนะมั่วเกินไปบางทีอะคือพระองค์นี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยมัวเมาหลงไหลด้วยอํานาจอคติศลุลธรรมทั้งหลายไม่เลยแต่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะ คือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าบางคนเนี่ยมองกันแต่เฉพาะภายนอกแล้วเอาตัวเองเป็นเครื่องวินิจฉัยว่าเมื่อคนเนี่ยเข้าไปอยู่เหตุการณ์แบบนี้ต้องเป็นเหมือนเราคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาบอกสวยหรือไม่สวยโดยมากเอาเราเป็นเครื่องเปรียบใช่ไหมโดยมากจะเอาเราเป็นเครื่องเปรียบแค่ส่วนใหญ่เพราะคนเนี่ยถ้าเราเลวเนี่ยเขคนอื่นก็น่าจะเลวเหมือนเราถ้าเรามักโกรธไอคนอื่นก็คงโกรธเหมือนเราถ้าเราโง่คนอื่นก็คงโง่เหมือนเราเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นไอ้คนตาไม่ดีก็นึกว่าคนอื่นเนี่ยเขามองไม่เห็นเหมือนเราอ่านหนังสือไม่ออกก็คิดว่าคนอื่นเขาอ่านไม่ออกเหมือนเราคนไม่ใช่น้อยเนี่ยนะอ่ามองแล้วก็ดูหมิ่นเหยียดยามพระโพธิสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันเขาก็ตําหนิโดยโดยนิยต่างๆอย่างในในพระไตรปิฎกเนี่ยนะอย่างก็บอกโอ้ยไปบวชอะไรตอนนี้ท่านกําลังสเสวยสุขอย่างเต็มที่เหมือนเทพพระบุตรอยู่นั่นแหละไม่มีทางได้บวชหลอกว่างนั้นนะจะไปบวชอย่างนั้นได้ยังไงเป็นต้น แล้วก็คนมิชาทิฐิทั้งหลายก็บอกว่าถ้าปฏิบัติเหมือนเขาจึงจะได้บรรลุมรรคผลอย่างสมัยก่อนบอกมันต้องมาทําความเพียรแบบนี้สิต้องอย่างนั้นสิโดยมากก็เอาตัวเองนั่นแหล ะ, เ ป, ะเป็นผู้ที่ตรวจสอบแล้วก็ตั้งมาตรฐานเนี่ยนะมาตรฐานโดยทั่ ว, วไปแล้วก็ตั้งไว้ที่ตัวเองเนี่ยนะแต่พระพุพทธศาสนาเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าของเราในชาติสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เอามาตรฐานเหล่านั้นมาเป็น ปริมาณเลยพระองค์ก็มาเสริมคุณธรรมที่พระองค์เคยเจริญอยู่แล้วเนี่ยนะเจริญบารมีทั้งหลายเพราะบารมีทั้งหลายก็คือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญา น, นั่นแหละพระองค์ก็มาเพิ่มคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาให้งอกงามมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าพระสกกะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระสกกะก็คือเนื่องจากว่าพระองค์เป็นผู้ที่มั่งคั่งมาก มันไม่มีผู้ใดที่จะร่ำรวยเท่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเรียกว่าปกครองเป็นพระองค์เป็นธรรมราชาใช่ไหมเป็นพระราชาที่ปกครองโลกสามโลกมั้งพระองค์จึงมั่งคั่งมากมีทรัพย์มากเนี่ยนะพวกกระทรัพย์จริงๆแล้วที่ไหนที่พระองค์อ่เาเรียกว่าอะไรนะสมบัติในโลกเนี่ยพระองค์อยู่ที่ไหนที่พระองค์ใช้สอยไม่ได้บ้างมีอะไรบ้างไหมมีอะไรที่ใช้สอยไม่ได้สมบัติในเทวโลกมีอะไรที่ โปร่งใช้สอยไม่ได้มัางพรหมโลกสมบัติเราได้ที่ใช้สอยไม่ได้อันนั่นเป็นที่เป็นรู ป, ปธรรมเนี่ยนะถึงอย่างนั้นมันก็คือรู ป, ปธรรมสมบัติที่เป็นรู ป, ปธรรมพรรองได้เห็นได้ฟังได้ยินได้รับกระทบสัมผัสหมดแหละแล้วสำบอกสมบัติที่เป็นนามธรรมพรรองเป็นผู้ที่มีสมบัติที่เป็นนามธรรมเนี่ยมากเนี่ย เช่นสมบัติคือเรียกว่าทรับเครื่องปลื้มใจอ่ะนะเครื่องปลื้มใจเนี่ยสัตว์ทั้งหลายโอ้ยมีสีหน่อยหนึ่งก็ปลื้มใจแล้วมีที่ดินวาหนึ่งตารางวาหนึ่งมีอะไรมีเม็ดสักอะไรสักเท่าป้องมือก็นั่งดีใจนั่นแหละโอ้ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มอย่างนั่นแหละ น, น, นะนะมีเม็ดอะไรเม็ดกรวดเม็ดหินยังกินอ่ะนัคนตาบอดมาคลาแล้วมันไม่ได้ต่างอะไรกันหรอกก็นั่งยิ้มดูมีความสุขเหลือเกินเนี่ยนะพอบอกว่ามันหายแค่นั้นแหะ ชีวิตนี้สิ้นหวังอาภัพเหลือเกินเน่ยนะทุกข์ร้องเหลือเกินพระองค์ไม่ได้บาปเพลิดเพลิอนอะไรในเสียงเหล่านั้นเนี่ยนะเพราะพระองค์มีทรัพย์ที่ปลื้มใจยิ่งกว่ารูปธรรม ท, ทั้งหลายเหล่านั้นเพราะพระองค์มีทรัพย์คือศรัทธาเนี่ยนะพระองค์มีทรัพย์คือศีลคนที่มีศีลเนี่ยนะปลื้มใจนะเขาบอกว่าถ้ามีศีลจริงๆนึกถึงศีลก็ เริ่มใจมีทรัพย์คือฮีริโอ ต, ตัปะมีทรัพย์คือสุตะมีทรัพย์คือจากะมีทรัพย์คือปัญญาแต่และอย่างก่อให้เกิดความปราบปลื้มใจหมดเลยพระองค์มีซัพย์คือสติปฐานสัมมะปธานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชงและองค์มรรคพระองค์มีทรัพย์คือโสดาปติมรรคสกธาคามิมรรคอนาคามีมรรคและอรหัตตมรรคมีซัพย์คือโสดาปติผลสกธาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลพระองค์มีทรัพย์คือมอมตะนิพพานเ น, า น, านี่ยนะ เพราะพระองค์ทรัพเนี่ยนะเขาบอกว่าอย่างมีบ้านก็เอาไว้อยู่ใช่ไหมของเรามีบ้านก็ไม่ได้แปลว่าอยู่บ้านอย่างทุกเวลาตามที่ตัวเองต้องการแต่พระพุทธเจ้ามีพระนิพพานแล้วสเสวยอารมณ์เท่าที่พระองค์ต้องการเนี่ยสัมผัสกับพระนิพพานเนี่ยนะที่เป็นอมตะอสังขตะเป็นธรรมที่สงบประงับเป็นธรรมที่ประนีดนิพพานังประมังสุขขังไม่มีสุขเหลา่าใดที่จะ ใจเหล่าใดที่จะสัมผัสกับความสุขได้เท่ากับใจที่มีนิพพานเป็นอารมณ์พระองค์เข้าเมื่อใดก็ได้เนี่ยนะจะยืนพระองค์ก็สัมผัสพระนิพพานเป็นอารมณ์จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ได้พระองค์จึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากมั่งคั่งมากเนี่ยนะแล้วก็มีรัตนะทั้งปวงเหล่านั้นมากมายหลายประการทรัพย์เหล่านั้นพระองค์จึงสามารถแบ่งปันให้กับคนที่พอมีบุญเนี่ยนะ รพระองค์เปรียบเหมือนพระธรรมราชาพระราชาทั้งหลายก็แต่งตั้งบุคคลผู้ควรแต่งตั้งเป็นข้าราชการโดยนยะต่างๆได้พระองค์เป็นพระธรรมราชาหรือเป็นพระธรรมรัฐอ่าพัท พระจักรพรรดิแห่งธรรมเนี่ยพระองค์แต่งตั้งให้เป็นพระโสดาบันพระสกะทาคามีเป็นต้นหรือพระองค์ให้ทรัพย์เ อ, อ่อให้ทรัพย์คือสารณะให้ทรัพย์คือศีลให้ทรัพย์คือสุตะให้ทรัพย์คือปัญญาหรือให้ทรัพย์คือสมถาวิวปัสนาพระองค์ให้ทรัพย์เขาได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามสมควรแก่บุญวาสนาแล่ อุปนิสัยเพราะถ้าพระองค์มีทรัพย์คือศรัท ธ, ธาเป็นต้นมากมายพระองค์จึงแบ่งปันอริยทรัพย์ทั้งปวงเหล่านั้นให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ใช้สอยทรัพย์คือศรัท ธ, ธาเป็นต้นของพระองค์เนี่ยนะไม่ใช่น้อยถ้าไม่มีพระองค์เราจะมีศรัท ธ, ธาได้อย่างไร ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเราจะรักษาศีลได้อย่างไรเราจะรู้ว่าศีลเนี่ยดีจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกจะได้เจริญฮิริโอตาปะถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้เรียนคำสอนคือพระไตรปิฎกไหมถ้าไม่มีคำสอนเราไม่มีโอกาสแม้กระทั่งได้มีตาที่เป็น ตาเปิยๆเหนาๆคิดตื่นมาคิดตาเคลอเนี่ยนะจะได้อ่านคำสอนที่นำออกจากทุกไม้มีหูที่รู้จักเจ็บจากปวดเนี่ยไม่ได้ฟังคำสอนที่มีคุณค่าไหมเพราะอาศัยทรัพย์คือ พ ร, พ, รพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเกิดขึ้นมาในโลกทำให้เราเนี่ยได้รับอริยทรัพย์คือสุตะได้ยินได้ฟังคําสอนแล้วก็มีทรัพย์ที่สละบาปอากุศลธรรมไม่ใช่น้อยเนี่ยนะถ้าไม่มีคําสอนไปนั่งโกรธอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปนั่งเครียดนั่งงุดเกิยนั่งรำคาญเนี่ยนะไปนั่งทำบาปให้กับตัวเองไปนั่งก่อทุกข์ก่อโทษให้ตัวเองเปรียบเหมือนคนมีประลาศนั่งแล้วเอามีดกรีดกายตัว คนที่ไม่มีอริยทรัพย์ทั้งหลายก็เหมือนกันเอาใจมากรีดใจตัวเองอะรสร้างแต่ความเจ็บปวดสร้างแต่ความเดือดร้อนใจสร้างแต่ความไม่สบายใจให้แก่ตัวเองเนี่ยนะเพราะพระองค์ไม่ได้พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากแล้วก็แบ่งปันทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยทนะรัพย์ของพระองค์ที่สั่งสมมาเนี่ยพันเราผู้มาศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทนะรัพย์เหล่านั้นอย่าได้เสื่อมไปเลย ทรัพยล่าใดที่พระองค์ขนมาตลอดระยะเวลาสีอสงไขยแสนกับเป็นพระธรรมจักรภัตเนี่ยนะมันพวกเรามาศึกษาพระธรรมคําสอนก็ขอให้พวกเราได้รับส่วนอริยทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะก็ขอให้บริบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์โดยทั่วกันจนพรวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้